ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมคนไหนที่ทําเสร็จแล้วก็นั่งทำความสงบใจให้ใจอยู่กับเครื่องร่อละก่อนโดยใช้จริงใด จ, จริงหนึ่งเป็นเครื่องรอ่อจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็ได้จะใช้ลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกก็ได้เป็นเครื่องร่อใจ หรือจะใช้นิ้วที่หมุนกันนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือหมุนกันก็ได้ให้ใจมารู้อยู่ตรงที่นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือหมุนกันหรือให้ใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หรือให้ใจนั้นมารู้กับกรรมปริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุโธให้ใจรู้ไว้มีเครื่อง มีเครื่องรู้ไว้ให้ใจมีเครื่องรู้ไว้สักอย่างหนึ่งอย่างไรก็ได้ที่เราเลือกเอา take, คําบริการพุทโธก็ได้คําสวดมนต์ก็ได้หรือนิ้วที่หมุนก็ได้หรือลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทลมหายใจออกบริกรรมว่าโท ลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธลมหายใจออกบริกรรมว่าโทให้ใจมารู้อยู่กับเครื่องลอ่อให้ใจมีเครื่องรู้หรือสติมีเครื่องระลึกให้ใจรู้อยู่กับเครื่องลอ่อให้ต่อเนื่องให้ใจมีสิ่งที่ระลึกรู้มีเครื่องรู้อยู่ตลอดเวลา รู้อยู่ที่กรรมบริกรรมพุโทโธพุธโธหรือรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธหรือรู้อยู่ที่ความรู้สึกนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือหมนกันก็ได้มือที่โบกก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะถนับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใะเป็นเครื่องรู้ของใจ ในขณะที่ใจรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านใช้เป็นเครื่องรู้ของใจนั้นในขณะเดียวกันคิดนั้นก็อาจจะคิดนึกตึกฟอมปุงแต่งไปถึงสิ่งต่างๆคอยลากใจให้ออกไปจากสิ่งที่รู้นั้นเราก็ให้ใจนั้นรู้อยู่กับเครื่องล่อนั้น จิตก็จะคอยลากใจออกไปจากเครื่องล่อไปคิดเป็นนึกไปตึกไปต่อไปปรุงแต่งก็ให้ใจนั้นรู้อยู่กับเครื่องร่อให้ต่อเนื่องและในขณะเดียวกันความคิดนึกติดต่อปรุงแต่งซึ่งเป็นจิดฝาที่ปรุงแต่งนะั้นก็จะลากใจออกไปจากเครื่องร่ออยู่ตลอดเวลาเราก็รู้ไว้ รู้ทั้งเกรืงที่ออนนล่อานหรือสิ่งที่ใจจะเป็นเครื่องระลึกรู้อยู่ในขนาดเดียวกันก็รู้ถึงความคิดในึกคิดตอมปรงแต่งที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะที่แทรกมาเป็นระยะระยะจิตใจนั้นก็จะนิ่งอยู่สงบได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็จะคิดนึกคิดตอมปุงแต่งขึ้นมาอีกก็หายใจรู้ตามความคิดในึิดต่อมปรงแต่งนั้นแล้วก็รู้จางเครื่องล่ อ, อไปพร้อมกัน ความจริงจิตหรือใจหรือมโนหรือวิญญาณนั้นก็เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดแต่จิตนั้นมีสถานะหรือมีสภาพเป็นสองสถานะคือจิตหนึ่งทำหน้าที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งทางความเข้าใจในสิ่งต่างๆทำความเข้าใจในเรื่องโลกทำความเข้าใจในเรื่องธรรมนั่นคือจิต ฝ่ายที่ปุงแต่งส่วนจิตอีกสถานะหนึ่งทำหน้าที่รู้จิตที่ปุงแต่งนั้นจิตขนาดแต่ละขณะจิตที่เกิดมานั้นมีสองสถานะหรือมีสองสภาพคือจิตสภาพหนึ่งมีสภาพที่คิดนึกสึกตองปุงแต่งกับจิตหนึ่งมีสภาพรู้มีสภาพที่เกิดขึ้นมารู้รู้รูรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์และก็รู้จิตที่คิดนึกคิดต่องปูมแต่งนั้นคือรู้จิตที่มีสภาพปูมแต่งจิตหรือใจจึงมีสภาพสองสภาพคือมีสภาพที่คิดนึกคิดตองปูมแต่งเรียกว่าจิตฝาดปูมแต่งกับจิตหรือใจที่มีสภาพรู้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส แล้วก็รู้จิตที่คิดนึกตึกต่อโคงแต่งนั้นฝ่ายจิตที่คิดนึกตึกต่อโคงแต่งนี้มีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระอาหารหันต์ถึงบุตรชนธรรมดาถึงสัตวเดรัจฉานทั้งหลายถึงสัตว์ตระจักษ์ทั้งหลายก็มีจิตฝ่ายทีคิดนึกตึกต่อโคงแต่งนี้จิตที่มีศาสานะที่มี ส, านะมสภาพรู้นั้น ก็มีทั้งหมดอยู่ในตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพราอราหันต์มาจนถึงมนุษย์ทั้งหลายสัตวจารย์และสระพพะจักรทั้งหลายฉะนั้นจิตที่มีสองสภาพนี้ทั้งสภาพที่คิดนึกึงต่อปุ่มแต่งกับจิตที่มีสภาพรู้นั้นมีทั้งหมดอยู่ในสรพพะจักรทั้งหลายทั้งหมดแต่สรรพะจัก์ทั้งหลายนั้นมาใช้จิตนึกถึงต่อปุ่มแต่งไปแล้วก็ใช้สภาพรู้ไปตามสัญญาติยาน คือรู้ลูกรู้เสียงรู้ลูกก็คือเห็นรู้เสียงก็คือได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใช้ไปตามสัญชาตญาณแต่ไม่ได้รู้ว่ามันมีสภาพรู้อีกอันหนึ่งนอกจากจิตที่มีสภาพคิดแล้วก็ยังมีสภาพรู้เมื่อไม่รู้ว่าจิตมีสภาพรู้กับสภาพคิดเมื่อรู้ครั้งใดก็จะคิดผลกับรู้ไปทุกครั้ง เมื่อรู้อะไรครั้งใดก็จะคิดปนกับรู้ไปทุกครั้งเลยไม่สามารถที่จะแยกจิตที่มีสภาพคิดออกจากจิตที่มีสภาพรู้ได้พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านแยกได้เด็ดขาดแล้วแยกจิตซึ่มีสภาพรู้ออกมาจากจิตที่มีสภาพคิดนึกตึกต่องปุงแต่ง หรืแยกกิจที่มีสภาพคิดเึ่นศึกจอมปูแต่งออกมาจากสภาพรู้ได้เด็ดขาดแล้วมาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้รู้อยู่เปล่าเปล่าสักแต่ว่ารู้พระพุทธเจ้าวาระาทั้งหลายท่านมีความรู้อยู่ต่อเปล่าหรือสัแต่ว่ารู้ในทุกสิ่งไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากกับสิ่งใดรู้สัแต่ว่ารู้ ดังนั้นจิตที่มีสภาพรู้มีอยู่ในคนทุกคนในสัพพสัตทั้งหลายในพุทธเจ้าพระสารบาลานทั้งหมดแต่สรพพสัตทั้งหลายที่ไม่ใช่พุทธเจ้าพระอาหารหันต์นั้นรู้แล้วคิดปนไปทันทีรู้อะไรแล้วคิดปนไปกับรู้ทันทีรู้สิ่งใดคิดปรุงแต่งปนไปกับรู้ทันทีจึงไม่ทราบว่าจิตสภาพมีสภาพรู้กับสภาพคิดนั้นเป็นกุลางันกัน ที we ่เกิดมาแต่ละขนามีทั้งสองสภาพอยู่ในตัวของเขาเองคือมีทั้งรู้และคิดแต่ละอวิชิตสองสภาพนั้นไปรวมกันเป็นอันเดียวกันคือรู้อะไรก็คิดไปทันทีรู้อะไรก็คิดไปทันทีดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกให้จิตที่มีสภาพรู้มารู้จิตที่มีสภาพคิดคือรู้ความคิดนั่นเองให้จิตที่มีสภาพรู้มารู้ความคิดที่คิดขึ้นมาในแต่ละขนาจิต จะได้แยกกิตที่มีสภาพคิดนึกติดตอปงแต่งออกจากกิจที่มีสภาพรู้ให้เหลือแต่รู้เปล่ปาๆโดยรู้รูปรสกิ่นเสียงสัมผัสและรู้ความนึกคิดติดตอคปงแต่นั้นวิธีการฝึกที่จะให้รู้อยู่เป่าๆเหมือนดับพระพุทธเจ้าพระาจารย์พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นก็คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รู้นั้น มีเครื่องลอ่อสักอย่างหนึ่งก่อนเอามาล่อไว้โดยให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องลอ่อจิตที่มีสภาพรู้นั้นเพื่อไม่ให้จิตมีสภาพรู้นั้นติดไปกับกรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสติดไปกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเมือ่อจิตที่มีสภาพรู้มารู้เครื่องล่อไว้อยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นจิตที่มีสภาพคิด คิดแตกซ้อนมาตลอดเวลาคอยล่าจิตที่มีสภาพรู้ออกไปจากเครื่องลอ่อให้ไหลไปกับจิตที่มีสภาพคิดนั้นหลวงปู่เทศเทศแลกสีวัดอินหมักเป้งนั้นซึ่งเป็นพระอริยสง์ได้แยกจิตที่มีสภาพรู้กับสภาพคิดนั้นให้มีชื่อแตกต่างกันเสียเพื่อความเข้าใจาในการปฏิบัติ คือจิตที่มีสภาพคิดนึกสติปองคงแต่งมีสภาพไหวตัวได้กระเพื่อมได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แสดงสตรียาแสดงอาการปรากฏการขึ้นมาได้เรียกว่าจิตส่วนใจนั้นมาู้จิตที่มีความคิดนึกสติปองคงแต่งมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวมีการเกิดดับมีการแสดงสตรียาแสดงอาการ ใจมารู้จิตที่เป็นผู้ผแสดงส่วนใจนั้นผู้รู้นั้นไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏที่อยู่ไม่ปรากฏการเกิดจับใดๆให้ได้รับรู้ได้แต่จะเห็นได้แต่จิตที่ปรากฏการเกิดจับได้ส่วนใจนั้นไม่มีตัว ต, วตนไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีมมที่อยู่เป็นความว่างเปล่าอันเดียวกับจักรวาล แต่มีความรู้มีความสามารถในการรู้ได้มีความสามารถในการรู้ลดลดกิก่นเสียงสัมบัติได้มีความสามารถในการรู้จิตได้เห็นจิตที่มีสภาพรู้เขาเรียกว่าที่สรุเทธท่านแยกว่าเป็นใจใจก็มาคอยรู้จิตไว้รู้จิตที่มีสภาพคิดนึกึิดกองรงแต่ไว้ ดังนันใจจะต้องมีเครื่องรู้ไวส้สะก่อนปันหนึ่งก่อนจึงจะเห็นจิตที่มีสภาพคิดนึกคิดตอปงปูมแต่งนั้นโดยให้ใจมารู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธซึ่งคําบริกรรมพุทโธนั้นคือจิตที่มีสภาพคิดหรือเรียกว่าจิตนั่นเองที่หลวงปู่เทศท์เาเรียกว่าจิตคือให้จิตนั้นบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธจิตที่บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนั้นเรียกว่าจิต ส่วนใจก็มารู้จิตที่บริการพุทโธพุทโธพุทโธนั้นก็จะได้แยกใจออกจากจิตหรือแยกจิตออกจากใจใจจะไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปลัางไม่ปรากฏที่อยู่ใดๆแต่มีสภาพรู้จิตที่กำลังบริการพุทโธอยู่ในขณะที่จิตบริการพุทโธนั้นก็จะมีความตึกนึกคิดฟงแต่งอยากอื่นในแดแทรกตอนทาบริการพุทโธมาเป็นระยะระยะระยะดังนั้น จิตจะเกิดดับได้หลากหลายและได้รวดเร็วแฝงควรเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากเกิดดับได้รวดเร็วมากแต่ใจก็ถ้ามีความเชี่ยวชาญก็จะสามารถรู้จิตได้ทั้งหมดรู้จิตที่ตึกนึกคิดตึกตอมปุงแต่งจึงให้ใจนั้นรู้อยู่กับจิตที่บริกรกรมทุกโธซะก่อนแล้วใจก็จะรู้จิตที่มีความคิดนึกตึกตอมปุงแต่งอย่างอื่นได้ทั้งหมด จิตมีสภาพเกิดดับแสดงปฏิิรยาได้แสดงอาการได้แสดงการไหวตัวได้นั่นคือจิตทั้งหมดส่วนใจมีสภาพรู้อย่างเดียวไม่ได้แสดงอาการเกิดดับไม่แสดงตัวตนของตัวเองออกมาใดๆให้ดูจิตแสดงปฏิยาแสดงอาการต่างๆแสดงทุติย่งจิตนะั้นเหมือนดูหนังดูละครอย่าเอาใจก็ไปร่วมเล่น ดูจิตที่กำลังบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่ใจพวกมาดูจิตที่กำลังบริกรรมพุโทโธหนึ่เรียกว่าใจส่วนจิตที่กำลังบริกรรมพุโทโธอยู่นั้นเรียกว่าจิตแต่ความจริงนั้นพุทธยถาตักว่าจิตหรือใจหรือมโนหรือวิญญาณนั้นก็คืออันเดียวกันแต่เพื่อแยกในการสอนเพื่อไม่ให้เกิดความกระจ่ายที่คาดเคลื่อน เพราะว่าจิตนั้นยังมีสองสภาพคือจิตที่คุงแต่งกับจิตเดิมแท้แท้ซึ่งมีสภาพรู้แต่ชื่อจิตเหมือนกันก็จะทําให้ยุ่งยากในการปฏิบัติในการทำความเข้าใจเพราะจิตชื่อว่าจิตนั้นจะมีสองสภาพมีสองสถานะคือจิตหนึ่งมีสภาพคิดนึกจิตต่อปรุงแต่งแสดงปฏิยาแสดงอาการแสดงการไหวตัวแสดงการเกิดดับส่วนจิตหนึ่งมีสภาพมารู้จิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับนั้น จสภาพรู้นั้นไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่แสดงอาการได้ปรากฏมารู้จิตที่แสดงอาการนั้นหลวงปู่เทศจึงไม่ให้เกิดความเข้าใจที่มันยากในการอธิบายเลยให้แยกชื่อไปเสียว่าจิตที่แสดงอาการที่คิดนึกจิต่อปุงแต่งแสดงอาการแสดงปฏิกิริยานั้นแสดงพฤติอยู่ตลอดเวลานั้นแสดงพสติแหง่งจิตอยู่ตลอดเวลานั้นเรียกว่าจิตส่วนใจมารู้จิตนั้น มารู้จิตที่แสดงพุทธิแห่งจิตมาคิดมานึกมาตึกมาต่อมากรงแต่งอยู่ตลอดเวลาวิธีที่รัดแล้วตั้งง่ายๆก็คือว่าให้จิตคิดพุทโธขึ้นมาตอนจะได้รู้ว่านั่นเป็นจิตแล้วใจก็มารู้จิตที่คิดพุทโธนั้นนั่นแหละผู้ที่รู้ว่าจิตกาลังคิดพุทโธนั้นแหละคือใจแต่ทุกครั้งที่สติเผลอไหลขาดไป ใจมันก็จะไม่รู้อยู่ที่กรรมบริกรรมพุทโธไม่รู้อยู่ที่จิตที่กำลับริกรรมพุทโธนั้นมันก็ไปรู้อย่างอื่นหมดไปรู้เรื่องอื่นไปคิดนึกถึงคนอื่นคิดถึงอื่นเราก็ไม่ห้ามแต่เราก็รู้ว่าจิตกําลังคิดนึกถึงจองปงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นผู้ที่ไปคิดนึกถึงจองปรงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นนั้นก็เป็นจิตเหมือนกันแต่ไม่ใช่จิตที่บริกรรมพุทโธ ดังนั้นจิตบางครั้งก็บริกรรมพุทโธอยู่คิดพุท โ, ทโธอยู่บางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดสิกอื่นคิดถึงคนอื่นดังนั้นจิตจึงมีหน้าที่คิดนึกตึกตอ่องปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็หยุดการคิดนึกตึกต่องรุงแต่งไปชั่วคราวใจก็มีหน้าที่มารู้จิตกําลังคิดนึกตึกต่องปุงแต่งต่างๆเมื่อจิตไม่คิดนึกใดๆก็รู้ว่าจิตนั้นไม่ได้คิดนึกอะไรก็รู้อยู่ว่าจิตดังขณะนั้นไม่ได้มีความคิดใดๆขณะจิตที่มีความคิดใดๆเกิดขึ้น ใจก็มารู้จิตที่คิดนึกถึงต่อภูมิแตกนั้นแต่ที่แน่ๆก็คือใจนั้นจะมารู้จิตที่กําลังกคิดคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่จิตที่คิดพุทโธพุทโธอยู่นั่นแน่ะคือจิตส่วนใจนั้นก็มารู้จิตที่คิดพุทโธอยู่นั้นแล้วบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดพุทโธเขาก็ไปคิดอย่างอื่นไปคิดถึงสิ่งอื่นไปคิดถึงคนอื่นใจก็มารู้ จิตที่คิ ด, ค ด, คดถึงคนอื่นสิ่งอื่นในขณะนั้นนั้นใจจึงทําหน้าที่รู้อย่างเดียวนี่ท่านกล่าวว่าเมื่อใดใจทําหน้าที่รู้อยู่เปล่าเปล่าแต่แต่ว่ารู้ไม่ติดไปกับเรื่องราวที่จิตคิดไปถึงไม่ติดไปกับคนใดสิ่งใดเรื่องราวใดๆที่จิตคิดไปถึงใจทําหน้าที่รู้อยู่อย่างเดียวแต่แต่ว่ารู้อยู่เปล่าเปล่าเมื่อนั้นก็จะเป็นธรรม ทำจึงไม่ต้องอแสวงหาไปเพียงแต่เมื่อใดใจไม่ไปจิตสิ่งที่จิตตึกนึกคิดไปถึงเมื่อนั้นใจก็เป็นธรรมเองเลยอัตโนมัติสังเกตให้ดีท่านก็จะเห็นว่าจิตนัดด้นคิดบริกรรมคําว่าพุโทโธอยู่คิดคําว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธอยู่ส่วนใจนั้นมารู้จิตที่คิด คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั้นเราจึงจะรู้ว่าออจิตใจนั้นมัน ม, มีสองสภาพคือจิตที่มีสภาพคิดนึกตื่อส่องแต่งอยู่ตลอดเวลากับจิตที่มีสภาพรู้มาู้จิตที่คิดนึกสือง่องแต่งนั้นที่ถ้าเรียกว่าใจใจจึงทำหน้าที่รู้แล้วก็รู้จิต จิตคิดนึกคิดต่อปุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั้นจิตจริงต้องคิดพุทโธพุทโธพุทโธไว้เพื่อให้ใจได้มีเครื่องรู้ว่าจิตกําลังทํางานอยู่เสร็จแล้วจิตนั้นก็จะไม่ได้คิดพุทโธหรอกคางทีก็เผลอไปคิดเรอื่นแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นก็คือจิตเหมือนกันไม่ว่าจิตจะคิดพุทโธหรือจิตจะคิดเรื่องเราใดๆนั่นก็คือจิตทั้งหมดใจก็ทําหน้าที่คอยรู้จิตไว้ ก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือใจอันนี้คือจิตที่ท่านกล่าวว่าเมื่อใดเข้าถึงใจเมื่อนั้นก็เข้าถึงธรรมใจนั่นแหลกคือธรมมนนอธรมทั้งหมดใจนั่นแหลกคือหลักธรรมทั้งหมดเมื่อใดพบใจเมื่อนั้นพบธรรมใจนั่นแหลกคือผู้รู้เมื่อไหร่พบผู้รู้ก็คือพบธรรมหรือหลวงปู่ม่านท่านกล่าวว่าเมื่อใดพบใจ เมื่อนั้นเนี่ยพบธรรมจึงให้ใจมารู้จิตไว้เพราะจิตก็ทําหน้าที่คิดนิยติสอบปรงแต่งตลอดเวลาเขาก็จะหยุดคิดบ้างบางช่วงก็รู้ว่าจิตไม่ได้คิดเมอจิตคิดขึ้นมาก็รู้ว่าจิตคิดคิดอะไรก็รู้ว่าคิดเก็ฑคิดว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็รู้ว่าจิตคิดพุทโธจิตไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอื่นจิตคิดถึงคนอื่นก็รู้ว่าจิตคิดถึงคนอื่นเมื่อไรใจรู้จิตนั้นแล้วไม่จิต เผลอไปไปกับที่จิตคิดไปถึงเส็นคิดถึงคนใดแล้วก็ใจเปลนไปหาคนนั้นในใจรู้อยู่ด้วยความเป็นอิสระสักแต่ว่ารู้มีสติกำกับไว้ตลอดเวลาในการรู้นั้นใจก็จะไม่เผลอไปได้แต่รู้อยู่เปล่าๆสักแต่ว่ารู้ที่ท่านกล่าวว่านั่นแหนะคือทำ เป็นไหนง่วงอย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องให้ใจรู้จิตที่บริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ให้ต่อนเนื่องแม้ท่านจะง่วงมากขนาดไหนก็ตามท่านต้องให้จิตบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธไว้แล้วให้ใจมารู้จิตที่บริกรรมคําว่าพุทโธนั้นจะได้เรื่องจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือผู้รู้ใจคือผู้รู้จิต ค, คือผู้คิดพูนหรือผู้ถึง ผ, ผู้ตอผู้ภูมิแต่ง ระหว่างที่ใจมารู้จิตที่กําลังบริกรรมคําว่าพุทโธพุทโธปุโจอยู่หรือคิดคําว่าพุโทโธพุทโธอยู่นั้นท่านจะสังเกตได้ดีๆจะเห็นว่านอกจากจิตจะคิดบริกรรมคําว่าพุโทโธแล้วจิตนั้นจะคิดสละพระจะคิดจะเล่นจะเสิรจะตอนจะปรุงแต่งจ ะ, สะแสดงปฏิกิริยาสแสดงอาการสแสดงพุทธิแห่งจิตนั้นมากมายหลากหลายประการ วิจัยว่าจิตนั้นคิดแต่กรำบริกรรมคุตโธเป็นต้นว่าจิตนั้นระหว่างที่ท่านดูคำบริกรรมคำมรํำว่าคุธโธนั้นจิตอาจจะคิดเอะคิดลังเลคิดสงสัยคิดค้นหาเหตุผลหรือคิดปงแต่งยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเวทนาอาการทางกายอาการทางใจ คิดสงสัยคิดเอดนะอะคิดค้นหาเหตุผลคิดค้นหาความถูกต้องคิดค้นหาความถูกใจหรือคิดตามไปก็คิดไปว่าถูกหรือเปล่านี่ถูกหรือเปล่านี่ถูกไหมเนี่ยหรือว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าอย่างนี้ถูกก็จะคิดสงสัยคิดลังเล นั้นคือจิตที่คิดนึกตึต่องคงแต่งไปทั้งหมดให้ท่านเห็นไปทั้งหมดแล้วก็รู้ไปทั้งหมดให้ใจมารู้จิตที่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็ให้รู้ไปทุกทั้งหมดก็รู้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเดี๋ยวก็จะ เ, เห็นอันใหม่เห็น <ะ S 1> จิตที่คิดอันใหม่คิดเรื่องใหม่ที่สิ่งใหม่แสดงปฏิกิริยาใหม่แสดงพฤติกรรมจิตตัวใหม่ ใจก็เห็นแล้วรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจะก็จะเห็นใหม่อีกรู้แล้วเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปเห็นกับแต่ไม่เห็นรู้กับแต่ว่ารู้ให้ใจทำหน้าที่เห็นกับแต่ไมเห็นรู้กับแต่ม่รู้จิตกันไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเมื่อจากการหลับตาก็ลืมตาขึ้นไม่ว่าจะหลับตาอยู่หรือลืมตาหรือเปลี่ยนจะบทในท่าใดก็ตามใจนั้นจะต้องตามดูตามรู้ตามเห็นจิตอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าพอท่านถอนจากการลืมตาแล้วท่านก็ไม่ได้ดูรู้เห็นจิตอีกแล้วว่าจิตก็คิดนึกตึดต่อปุงแต่งเรื่องอะไรคิดพอใจคิดไม่พอใจคิดยินดีคิดยินร้ายคิดอยากไม่อยากอย่างไรคิดเอะอะคิดลังเลคิดสงสัยคิดเบื่อคิดเจงคิดกุ้มเลยต่างๆนี่มันก็คิดปรุงแต่งไปแนาลมต่างๆ เนีแต่จะลืมตา อ, ออกมาแล้วหรืออยู่ในใจวัดใจก็ตามใจนั้นก็จะต้องตามดูตามรู้ตามเห็นจิตที่ตลอดเวลาจึงได้รู้แยกได้ชัดเจนว่าอ๋อนี่คือผู้รู้นี่คือผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองผู้ภูมิใงเมื่อใดพบใจซึ่งเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์จริงๆ รู้อยู่เปล่าๆด้วยความปริสุทธิ์จริงๆเมื่อน้ำท่านก็จะพบธรรมผู้ใดพบใจผู้นั้นก็จะพบธรรมที่ทาการกล่าวว่าใจนั่นแหละคือหลักธรรมทั้งหมดใจไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้จอ่อผู้ปมแต่งใจคือผู้รู้ ผู้ที่รู้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปุ่มแต่งนั้นถ้าเราอาใจไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปุ่มแต่งเราก็จะไม่พบใจที่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจจึงต้องมาทำหน้าที่รู้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปุ่มแต่งนั้นอย่าเอาใจไปทําหน้าที่คิดแต่ให้ใจทําหน้าที่รู้ให้ใจก็เป็นผู้รู้ มารู้จิตที่คิดที่นึกที่ตึกที่ตอบผู้ปรุงแต่งผู้ดิ้นรดผู้ค้นหาต้องให้ใจทําหน้าที่รู้ของเขาอย่างเดียวอย่าเอาใจไปเป็นผู้คิดให้ใจเห็นจิตซึ่งเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอบผู้ปรุงแต่งผู้ดิ้นรดผู้ค้นหาผู้มีความพอใจไม่พอใจผู้มีความอยากไม่อยากผู้มีอารมณ์ต่างๆ จะอยู่ในเรียบทอย่างไดจะถอนออกมาแล้วจะอยู่ในท่าทางอย่างไรก็ตามใจนั้นต้องมาลูจิตอยู่เสมอขออย่างเดียวอย่าเอาใจไปนั่งคิดอย่าเอาใจไปเป็นผู้คิดให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ที่คิดใหใจมาลูจิตที่แสดงปฏิกิริยาแสดงพฤติแหง่งจิตแสดงปรากฏการแหง่งจิตแสดงอาการแหง่งจิตจิตคือผู้แสดงอาการผู้แสดงปฏิกิริยาผู้แสดงปรากฏการ์ สนใจทำหน้าที่รู้จิตที่แสดงปฏิญาแสดงอาการแสดงปรากฏการณ์นั้นๆถ้าทํานไม่เอาใจไปเป็นผู้คิดพูนหรือพูสึกู้ดตอบโดยให้ใ จ, จมาเป็นผู้รู้ก็จะพบใจใจนั้นนอกจากจะรู้ว่าจิตเขาคิดนึกตื้อตอบปุงแต่งในเรื่องใดๆ ติมตั้งคิดคำใบรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตนั้นคิดคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในขณะบางครั้งจิตก็คิดอย่างอื่นด้วยคิดใน่ถดต้อสงแต่งอย่างอื่นคิดเออะคิดลังเลคิดสงสัยคิดก้นหาเหตุผลคิดหาความถูกต้องคิดหาความถูกใจนั่นคือจิตจิตคิดอยู่ตลอดเวลาจิใจนั้นก็ทําหน้าที่รู้จิตนั้นที่มีความคิดที่ถูกต้องปุงแต่งในเรื่องต่าง แต่ในขณะเดียวกันใจนอกจากจะรู้จิตที่คิดในสุดตอนปุงแต่งแล้วใจเขาก็จะรู้รับรู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยคือขณะที่รู้ความสึกในจิตปุงแต่งนั้นบางครั้งก็มีความรู้สึกโปร่งโล่เบาสบายดีว่าวงเบิงวางสบายไปหมดเบาไปหมดนั่นก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาใจนั้นก็มารู้ความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนา น, านหรือในบางขณะ เกิดความรู fallen, ้สึกที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายเรียกว่าทุกเวทนาใจนั้นก็มารู้ความรู้สึกที่เป็นทุกเวทนานั้นบางครั้งก็มีความรู้สึกเป็นกลางๆไม่รู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายเรียกว่าอุเบกขาเวทนาใจนั้นก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาเวทนา แต่สาระสำคัญไม่ได้ต้องการตรงที่ใจรับรู้แค่เวทนานั้นคือต้องการให้รู้ว่าเมื่อใจไปรู้เวทนาแล้วแล้วมีความคิดอย่างไรต่อจากการรับรู้นั้นคือเมื่อรู้ว่ามีอาการสุขเวทนาเกิดขึ้นมีความโปร่งโล่งเบาสบายมีอาการสู้สู้ซาซาาบซ่านไปหมดตัวเบากายเบาบัรหทเรื่องเดินอาการได้ แ้วจิตก็คิดนึกคิดคลองปรุงแต่งอย่างไรเมื่อใจไปรับรู้เวทนานั้นถ้าจิตก็ไม่คิดนึกคิดคลองปรุงแต่งอย่างไรนี่ก็รู้ว่าหลับแต่ว่ารับรู้เวทนาอยู่โดยที่เมื่อรู้เวทนาแล้วไม่ได้คิดนึกคิดคลองปรุงแต่งอย่างใดต่อจากเวทนานั้นหรือว่ามีอาการที่ไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่บสบายมีอาการหรืออาจซึ้งซื่อ มือสีจะอะไรต่างๆซึ่งเป็นอาการของทุกเวทนาสาระสําคัญไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าใจรับรู้ทุกเวทนานั้นสาระสําคัญต้องการใหรู้คือว่าเมื่อใจรับรู้ทุกเวทนานั้นแล้วมีความคิดอย่างไรต่อจากทุกเวทนานั้นหรือว่าไม่มีความคิดอย่างไรต่อจากการรับรู้นั้นถ้ารับรู้รสำลึกตรัส ที่เป็นทุกเวทนานั้นที่มีความรู้สึกไม่สบายนั้นแล้วไม่ได้คิดอย่างไรต่อจากนั้นได้แต่สักรับรบู้อยู่สักระว่ารับรู้อยู่เปล่าเปล่าก็รู้ว่าสักระว่ารับรู้อยู่เปล่าเปล่าแต่เมื่อรับรู้ทุกเวทนานั้นแล้วมีความคิดรู้ึกประกอบคุงแต่งเกี่ยวกับทุกเวทนานั้นอย่างไรพยายามดิ้นลนผับไสทุกเวทนานั้นก็รู้จิตดิ้นลนผับไสทุกเวทนานั้น ต้องการจะให้รู้ใจนั้นมารู้จิตอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่ได้จบแค่ตรงรับรู้เวทนานั้นถ้ารับรู้เวทนานั้นแล้วจิตไม่ได้คิดนึกคิดจองปรุงแต่งอย่างไรเกี่ยวกับเวทนานั้นก็สัแต่ว่ารับรู้เวทนาอยู่เปล่าเปล่าแต่ถ้ารับรู้เวทนาแล้วจิตเขาคิดนึกคิดจองปรุงแต่งอย่างไรเกี่ยวกับเวทนานั้นก็ให้รู้ว่าจิตมีความคิดนึกคิดจองปรุงแต่งเกี่ยวกับเวทนานั้นแล้วก็สแต่ว่ารับรู้จิต ที่กำลังคิดไม่ติดต่อปูมงแรงเดียวกับเวทนานั้นให้รู้จิตอย่างนั้นให้ใจนั้นตามดูตามรู้ตามเห็นจิตอยู่ตลอดเวลารู้ตั้งเวทนาด้วยรู้ตั้งจิตที่คิดนึกติดต่อปูมิแรงด้วยแล้วก็รู้ตัแต่ว่ารับรู้คําว่ารู้ตัแต่ว่ารับรู้ไม่ใช่ว่ารู้แล้วไม่ให้จิตคิดไม่ติดต่อปูมิแรงคือ รู้ทั้งเวทานาด้วยแล้วก็รู้ทั้งกิจที่กําลังคิดเป็นสุดสอบุญแต่งด้วยเพื่อต้องการให้ท่านพบใจผู้รู้ผู้รู้นั่แนแหละคือใจใจนั่แนแหละคือผู้รู้เมื่อใดใจรู้อยู่ปล่าเปล่าจแต่ว่ารู้เมื่อนั้นท่านก็จะพบใจที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นธรรมรู้เปล่าเปล่าบริสุทธิ์นี่เอง เป็นใจเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นใจเดียวกับพระธรรมเป็นใจเดียวกับพระหลานทั้งหมดเมื่อใดใจของท่านรู้อยู่พอป่าสักแต่ว่ารู้รู้กายรู้ลมหายใจก็รู้สแต่ว่ารู้รู้เทนาก็สักแต่ว่ารู้รู้ความคิดนึกคิดฟ้องปุงแต่งก็รู้สแต่ว่ารู้ให้รู้จิตจี่คิดพุศลพุทโธพุโธพุโธพุโธ ก็จะรู้ว่านั่นคือจิตที่กาลังคิดในสื่อกางคูงแสงเลื่กพุทโธอยู่หรืออาจจะไปคิดอย่างอื่นและใจก็เป็นผู้รู้รู้จิตสิอย่างนั้นเมื่อได้รู้สัแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปปอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีหรือไม่เข้าไปยินร้ายหรือไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรอย่างนั้นก็เรียกว่าใจรู้สัแต่ว่ารู้หรือรู้อยู่วยความบริสุทธิ์จริงๆถ้าก็จะพบใจที่บริสุทธิ์ ก็จะพบทับต้องเข้าใจว่าไม่เช่ได้รู้แล้วไม่ให้คิดอะไรรู้แล้วไม่ใช่ไม่ให้นึกอะไรรู้กายรู้ลมหายใจก็ออกเรียกว่ารู้กายรู้คำบริกรรมพุโทโธเรียกว่ารู้จิตที่กําลังคิดบริกรรมคําว่าพุโทโธอยู่ รู้ความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็กลางๆเรียกว่ารู้เวทนาให้รู้สักแต่ว่ารู้คำว่ารู้สักแต่ว่ารู้คือรู้แล้วไม่เข้าไปพอใจหรือไม่พอใจรู้แล้วไม่เข้าไปยินดีรู้แล้วไม่เข้าไปยินร้ายรู้แล้วไม่เข้าไปเกิดความอยากหรือความไม่อยากอย่างไรรู้ลมใจเข้ารู้ลมใจออกเรียกว่ารู้กายรู้ความรู้สึก ที่เกิดที่มาในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางกางหรือรู้แล้วไปรู้เวทนาแล้วเขาคิดอย่างไรนึกอย่างไหนคุงแต่งอย่างไรก็รู้กบแต่ว่ารู้เวทนาด้วยรู้ความคิดนึกติดตามปุงแต่งที่คิดเกี่ยวกับเรื่องการไปรู้เวทนานั้นด้วยแต่ถ้ารู้แล้ว สิ้นความยินดีสิ้นความยินร้ายสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจหรือสิ้นความอยากหรือไม่อยากอย่างไรก็เรียกว่ารู้เปอบเป่าบริสุดนั่นแหละรู้ปอบป่าไว้สุดนั่นแหละคือรู้อันเดียวกับพระพุทธเจ้ารู้เดียวกับพระธรรมรู้เดียวกับพระอรหันต์นั่นแหละคือธรรมสติสถานสี่ก็อยู่ที่มีเองกายเวทนาจิตธรรมธรรมนั่นแหละ รู้จัแต่ว่ารู้หรือรู้อยู่เปล่าๆโดยสุดจริงๆคําว่ารู้ตักแต่ว่ารู้นั้นคือรู้อะไรแล้วรู้กายกายที่นั่งอยู่ในท่าทางต่างๆกายยืนกายเดินกายนอนกายนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่ารู้กายรู้เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอาการผิดสติซาบซ่านเกิดสุขมีความปองใสมีความเบิกบานอย่างยิ่งมีความสุขใจยิ่เอิบใจอย่างไรก็ตาม เรียกว่ารู้สุขวิจนาหรือว่าการดูดับซื้อๆไม่โตกไม่ลงไม่ก่อนสบายเรียกว่ารู้สุขวิจนาหรือรู้ความรู้สึกคิดสิ่งกลางๆไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาแล้วก็รู้จิตคิดคิดในึกคิดควมปุงแต่งซรือมีอารมณ์ไปในประการต่างๆเรียกว่ารู้จิตรู้จิตที่คิดของวัยกคำพุทโธพุทโธพุทโธไว้ก็เรียกว่าจิตให้ใจมารู้จิตไปอย่างนั้น พระท่านสามารถรู้สอบแต่ว่ารู้ได้รู้กายรู้เวทนารู้จิตคิดคิดนึกคิดสอปรุงแต่งว่าถึงคนใดสิ่งใด้เรื่องราวใดๆแล้วถ้านรู้สอกแต่ว่ารู้คำว่ารู้สอบแต่ว่ารู้คือไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปเย็นายไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไดได้แต่รับรู้ได้จริงโดยสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ประเวทนาอย่างใดไม่ว่าจะเป็นสุภเวทนาอย่างใดแล้วก็รู้สอกแต่ว่ารับรู้จริงๆ ท่นก็จะถึงธรรมพอรู้ศแต่ว่ารับรู้นั้นหรือรู้ในความไปสุดพอฝ่าไปสุดนั้นเองนั่นแหละเป็นล้วนเดียวกับพระพุทธเจ้าล้วนเดียวกับพระธรรมล้วนเดียวกับพระลาล์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระลาล์ทั้งหมดมีทุกเวทนาทุกเวทนายังมีอยู่เป็นทุกเวทนาเจบปวดเมื่อยไม่สบายเนื่ากไม่สบายตัว แต่ท่านสิ้นแล้วซึ่งความพอใจหรือความไม่พอใจสิ้นแล้วซึ่งความยินดีซึ่นความยินร้าสิ้นแล้วซึ่งความอยากหรือไม่อยากอย่างใดรู้สักแต่ว่ารู้หรือรู้อยู่เปล่าๆไปสุดจริงๆทุกเวทนานั้นมีอยู่แต่ไม่มีทุกทางใจเมื่อไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีหรือไม่เข้าไปยินายไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรก็จะไม่มีความทุกข์ใจ แต่ทุกขเวทนานั้นมีอยู่พระพุทธเจ้าพระหลักทั้งหมดมีทุกเวทนาอยู่ต้องสวยทุกเวทนาแต่สิ้นทุกทั้งใจเพราะสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจสิ้นความยินดีสิ้นความยินรไลสิ้นความอยากหรือความไม่อยากอย่างใดจึงสิ้นความทุกข์ใจโือสิ้นเชิงเพราะความทุกข์ทุเกิดจากความเข้าไปพอใจเข้าไม่พอใจเข้าปยินดีเข้าไปยินไลเข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างใดๆจึงความไม่เกิดทุกข์ แต่ทุกเวทนานั้นก็เป็นความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนั้นพุทธเจา้าพระหลานทั้งหลายยังมีอยู่ทุกทา่านแต่ทิ้นแล้วซึ่งความทุกข์ใจเพราะทิ้นแล้วซึ่งความยินดีทิ้งความเยินร้ายทิ่งความพอใจทิ้งความไม่พอใจทิ้งความอยากหรือไม่อยากทั้งใดทั้งหมดนั่นได้แต่รู้สักแต่ว่ารับรู้รู้สับแต่ว่ารับรู้จริงๆ อยู่รู้อยู่ปลาๆด้วยความปริสุทธิ์จริงๆไม่ว่าจะมีความรู้สึกเป็นทุกขเวทนาหรืออัดตื้อๆไม่โปรไม่โล่ไม่บาสบายอย่างไรก็ตามแต่ท่านก็รู้อยู่ก็แต่ว่ารับรู้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดมาแล้วก็ต้องรับทุกขเวทนาไปกับทุกคนไม่มีใครหลกหนีหนีพ้นแต่ท่านไม่เข้าไปพอใจหรือไม่พอใจไม่เข้าไปอยากไม่อยากไม่เข้าไปยินดีหรือยินร้ายอย่างใดต่อทุกขเวทนาหรือเบกบาวเวทนาหรือทุกขเวทนานั้น แต่แรับรู้สัตว์ประว่ารับรู้ถ้าพยายามเข้าไปที่หลนภับสายอาการใดๆอันนั้นแหละเรียกว่าเข้าไปพอใจหรือเข้าไปไม่พอใจเข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างใดๆก็จะไปติมทุบติดเขาคิดเล็กคิดน้อยคิดยุงคิดดิมคิ ด, คดจุกคิดจิก คิดเอะคิดลังเลคิดสงสัยคิดค้นหาเหตุผลคิดค้นหาความถูกต้องคิดค้นหาความใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ว่าจิตก็จะคิดอย่างไรแสดงกิริยาไรแสดงพฤติกรรมิตอย่างไรก็ตามให้ใจนั้นมารู้จิตนั้นทุกความคิดทุกความนึกทุกความตึกทุกความซองทุกความปงแต่งทุกปริยาทั้งหมดทุกอาการทั้งหมดของจิตนั้นไม่มีพลาดเลย ให้ใจนั้นรู้จิตที่แสดงสกิยาแสดงอาการแสดงพฤติแห่งกิตนั้นทุกความคิดความลึกความตึกความซองความส่งเสริมไม่ว่าแต่คิดเล็กคิดน้อยคิดเด๋ยวคิดหยินคิดจุ๊บคิดจิกไม่ห้ามเลยไม่เป็นงดหงิดลำคาญกับความคิดเหล่านั้นแต่ให้ใจมารู้ความคิดเหล่านั้นทุกความคิดไม่พยายามไปไล่ดับความคิดเหล่านั้นเลยไม่ว่า อีกก็คิดลนคิดน้อยคิดหยุ่มคิดหยิมคิดทุกคิดคิดสารพัดจะคิดจะนึกจะสึกจะซอนจะปรุงแต่งอย่างไรก็ตามในขณะนั้นๆไม่ว่าจะคิดเอ้อคิดลังเลคิดตรงสัยคิดค้นหาเหตุผลคิดหาความถูกจ้องคิดค้นหาความสูกใจไม่สูกใจคิดค้นหาคำไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ว่าจะคิดค้นหาอะไรก็ตามให้ใจนั้นมารู้จิตที่มีความคิดนึกสืบซ้อนปรุงแต่งนั้นไว้ทั้งหมด รู้แล้วสอบแต่ว่ารู้รู้สอกแต่ว่ารู้คําว่ารู้สอกแต่ว่ารู้คือไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปกุญญิษไม่เข้าไปลาคาญความคิดเหล่านั้นขอให้รู้อย่างเดียวอย่าเข้าไปกุญญิษอย่าเข้าไปลาคาลความคิดเหล่านั้นพอรู้สอกแต่ว่ารู้นั่นแหละคือธรรมรู้สอกแต่ว่ารู้นั่นแหละเป็นความรู้อันเดีย ว, เ ป, เ, ยวเป็นใจเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นใจเดียวกับพระธรรมเป็นใจเดียวกับพระอรหันต์ พอใจนั้นรู้ตักแต่วะรู้สิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจสิ้นความยินดีสิ้นความยินร้ายสิ้นความอยากหรือไม่อยากอย่างไรได้แต่รู้สักแต่ว่ารู้จริงๆรู้ในใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่เข้าไปงดหงิดตำการใจติดติ่งใดๆเลยจิตก็จะคิดจะนึกจะสื่อจะตอนจะรผงแต่งคิดถึงคิดยินคิดก็กคิดจคิดอย่างไรอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่รู้รู้รู้รู้รู้รู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่เฉยเฉยรู้สักแต่ว่ารู้รู้เป่าเป่าบริสุทธิ์สนั่นคือใจเดียวกับพระพุทธเจ้าคือรู้อันเดียวกับพระพุทธเจ้า ร่วมเดียวกับพระธรรมร่วมเดียวกับพระอรหันต์ผู้ใดพบใจผู้รู้หรือพบผู้รู้หรือพบใจนั่นแหละคือพบธรรมใจนั่นแหละคือหลักธรรมทั้งหมดใจนั่นแหละคือตัวธรรมทั้งหมดไม่ห้ามเลยสักอย่างเดียวแต่คิดอะไรก็ไม่ห้ามคิดจะคิดจะนึกจะติดจะตอนจะปรง่งแต่อะไรก็ไม่ห้ามแต่ขอให้คิดพุดโทโธไว้คำหนึ่งก่อน คิดพุทโธไวอย่างเดียวก่อนคิดพุทโพุโธไว้ให้จิตคิดพุทโธพุทโธพุทโธไว้แล้วนอกจากที่พุทโธแล้วจิตก็ก็บางทีก็จะคิดอย่างอื่นแทรกมาเป็นระยะระยะตลอดเวลาก็ไม่ห้ามเลยแต่จิตที่คิดพุทโธไว้ต้องคิดพุทโธอยู่แล้วก็แม้แต่จิตจะมีความคิดแทรกมากขึ้แทกตอนยังไงก็ตามอย่าทิ้งจิตทีคิดพุทโธแล้วให้ใจมารู้จิตที่คิดพุทโธนั้นและระหว่างนั้น จิตก็คิดอย่างอื่นแทรกซ้อนมาป้ายใจรู้จิตคิดอย่างอื่นแทรกซ้อนมาระหว่างนั้นด้วยทุกความคิดไปเช่นคิดพุทโธอยู่ป้ายใจมารูกจิตที่กําลังคิดพุทโธอยู่ถ้าจิตก็คิดในตึกตอนปงแตกเอะลังเลสงสัยคิดค้นหาเหตุค้นหาผลคิดค้นหาความถูกต้องถูกใจคิดว่าไอ้ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่หรือเปล่าอย่างนี้ถูกหรือเปล่าจิตคิดอย่างนี้แทรกซ้อนทำริขิด แต่ตอนความคิดพุทโธอยู่ตลอดเวลาก็ให้ใจรู้ความคิดนั้นคือรู้ทั้งจิตที่คิดพุทโธด้วยแล้วก็รู้จิตคิดคิดลังเลสงสัยเอ๊ะฮะดิ้นรนค้นหาเหตุหาผลไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาไม่ห้ามเลยไม่งดหจิดเลยไม่ลําพานกับความคิดเหล่านั้นเลยเพราะต้องการผู้รู้ผู้รู้ที่มาลูจิตคือใจนั่นเองที่มาลูจิตอยู่เปล่าเปล่ารู้จัแต่ว่ารู้ ว่ารู้ตแต่ว่ารู้คือรู้แล้วไม่เข้าไปพอใจหรือไม่พอใจรู้แล้วไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินรไลรู้แล้วไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรรู้แล้วก็ไม่เข้าไปกุดหิลหลาคาใจอะไรได้แต่รู้ตอบแต่ว่ารู้ดังนั้นเขาจะคิดอย่างไรก็ไม่ห้ามแต่ขอให้รู้รู้ต้องแต่ต้นคิดรู้ต้องแต่ต้นจิตคือเขาคิดก็นึกก็สึกก็ตองก็ปรุงแต่งอย่างไรก็ไม่ห้ามแต่ขอให้รู้ต้งแต่ต้นคิดต้นนึกต้นสึกนต้นตองต้นปรุงแต่งดังนั้นถ้าท่านรู้จิต คิดพุโตพุโตพุโธไวเขามีความคิดอย่างอื่นแฝงซ้อนมาตลอดเวลาท่านก็จะสามารถดูรู้เห็นก็ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าความคิดพุโตหายไปก็จะไม่รู้ความคิดอื่นๆเลยคิดไปตั้งนานแล้วกวจะรู้ตัวแต่ถ้าท่านคิดพุโธไวรู้ความคิดพุโธไวเมื่อจิตก็คิดนึกติดตอนโผล่แสงแทงซ้อนมาระหว่างนั้นไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามคิดชุกคิดจิกคิดจุ่มคิดยีมคิดย่อยคิดยับ คิดค้นหาเหตหาผลคิ ด, คดลังเลคิดสงสัยคิดอะไรคิดพอใจคิดไม่พอใจต่างๆเนี่ยใจนั้นก็จะมารู้จิตนั้นตันตีตั้งแต่เริ่มต้นคิดเริ่มต้นนึกเริ่ม ต, ตึกเริ่ม ต, ต้ตนตรึกเริ่มต้นตรองเริ่มต้นปรุงแต่งดังที่หลวงปู่มั่นท่านกล่าวว่าให้รู้อยู่ที่จิตต้นบลโหยหวนให้รู้อยู่ที่จิตต้นพลโหยหวนให้รู้อยู่กับที่รู้อยู่กับที่และเห็นจิตที่เคลื่อนไหวรู้ น, นั้นน่ะรู้อยู่กับที่แต่เห็นจิตที่เคลื่อนไหว จิตผู them, the CA, nice ้รู else, no ้นั้นไม่เคลื่อนไหวแต่เห็นจิตที่เคลื่อนไหวรู้อยู่กับที่สิ่งใดเคลื่อนไหวเป็นจิตหมดผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวแต่รู้สิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งใดเคลื่อนไหวเป็นจิตหมดผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวแต่มารู้สิ่งที่เคลื่อนไหวดังนั้นใจผู้รู้อยากเคลื่อนไหวเพราะถ้าใจผู้รู้เคลื่อนไหวจะกลายเป็นจิตทันทีผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ปรากฏการเกิดดับ ดังนั้นผู้รู้อย่าเคลื่อนไหวผู้รู้อย่าปรากฏการกระเพื่อมผู้รู้อย่าปรากฏการไหวตัวผู้รู้ให้รู้สิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ไหวตัวสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ให้รู้อยู่ที่จิตต้นต้นจิตถ้ารู้อยู่ที่จิตต้นโ้ล่หัวถ้ารู้ไปปลายจิตจิตสันจีนี่หลวงปู่มั่นท่านว่าอย่างนี้รู้อยู่อย่างนั้นแหะอหรู้อยู่กับที่ อย่าให้รู้เคลื่อนไหวตามไปอย่าให้รู้นั่นมีการกระเพิ่มตัวรู้อย่าให้ไหวตัวเพราะถ้าไหวตัวเป็นจิตหมดถ้าสิ่งไดไหวตัวเป็นจิตหมดแล้วก็ให้ใจนั่นมารู้จิตนั้นรู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันด้วยใจเป็นกลางวางอุเบกขา สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในกระปัจจุบันนั้นทุกขณะปัจจุบันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแตป่ควรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาให้ใจซึ่งเปรียบเหมือนจอเรดาร์ที่มีคุณภาพสูงได้รู้ได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วสิ่งที่เกิดใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกความคิดความสึกความตองความปรงแต่งหรืออารมณ์ตา่างๆไม่ว่าจะยิ่งใหญ่หรือเล็กหรือละเอียดหรือหยาบผ่านกลางเพียงใดก็ตามมีความรวดเร็วหรือช้าเพียงใดก็ตามใจซึ่งเป็นจอเรดาร์เปรียบเหมือนจอเรดาร์นั้นจะมีคุณภาพสูงมากสามารถรับรู้ได้ทันท่วงทีและรวดเร็วเมื่อมีสิ่งแตกฟอม คือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือมีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในใจให้ใจได้รับรู้นั้นแต่ใจก็ได้แต่รับรู้เปล่าๆต่อแต่ว่ารับรู้เพียงแค่รับรู้ได้ใจเป็นกลางจริงๆรับรู้อยู่ได้ใจที่เที่ยงตรงจริงๆไม่ เ, เอียงไม่ลงเอียงใดๆในการรับรู้เลยไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เหล่านั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจ ก็ได้แต่สับแต่ว่ารับรู้ไม่มีความลำเอียงในการรับรู้ไม่ได้เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปญหญุดหงิดกัดเกลื่อนใจลำพากใจสิ่งใดๆในี้ที่เข้ามาในจอในดาเข้ามาใใจได้รับรู้ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นๆเลยรู้สับแต่ว่ารับรู้จริงๆแล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ใดๆทั้งหม ด, ท, หมดที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจได้รับรู้นั้นเขาก็เป็นนจริงทุกอยางอนันตตา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดที่คงที่มีแต่เป็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาคนอยู่สภาพเดิมแต่รันไม่ได้ต้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่อาจเข้าไปบังคับให้มีสภาพใดสภาพหนึ่งที่ตั้งคงทนอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไป เขาต้องแตะ ป, ดปวดเปลี่ยนแปลงไปทุกและทุกสลับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้ากันเข้ามาให้ใจได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาใจก็ได้แต่สักแต่ว่ารับรู้ไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอ ย, ากอย่างไรรับรู้อยู่ในใจเป็นธรรมรับรู้ในใจที่เที่ยงตรงใจเป็นธรรมจริงๆนั่นแหละคือธรรม ไม่ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ต้องรู้ไปทั้งหมดแล้วก็รู้สักแต่ว่ารู้ให้ใจมารู้จิตคิดคิดพุโตไว้สักยางหนึ่งก่อนแล้วนอกจากนั้นก็รู้เธทั้งหมดแต่ใจที่มารู้จิตคิดคิดพุโตนั้นต้องรู้ไว้อย่างนั้นอย่างอื่นนั้นก็สลับสับเปลี่ยนุนเวียนมาให้รับรู้ แต่ใจที่มารู้จิตที่ปรุ ง, ค, งคิดพุทโธนั้นก็ต้องปรุงเอาไว้เพราะความคิดพุทโธนั้นคือจิติที่ปรุงททแต่งแต่ก็ต้องปรุงแต่งความคิดพุทโธเอาไว้อย่างอื่นนั้นเขาก็สลับตอเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ใจได้รับรู้แต่ใจที่รับรู้จิตที่ปรุงแต่งคําบริกรารพุทโธนั้นก็ให้ปรุงแต่ไงไว้อย่างนั้นเพื่อให้ใจได้มีเครื่องรู้เครื่องระลึกรู้ แล้วใจก็จะรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างอื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในขณะปัจจุบันนั้นนันทุกขณะปัจจุบันแล้ว็ดับไปแต่ควเ์เสี่ยนแสงไปแต่สิ่งนั้นกันก็คือจิตต้องปรุงแต่งคบริชชาพุทโธไว้อันหนึ่งก่อนอยู่เสมอเพื่อให้ใจได้มีเครื่องระลึกรู้แล้วใจก็จะได้รู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างอื่นๆในขณะปัจจุบันนั้น น, นทุกขณะปัจจุบันจะได้ในเข้าไปเกาะเกี่ยวยุ่งเกี่ยววานุ่นวายกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้ใจได้รับรู้ในขณะปัจจุบันนั้ น, น, นทุกขณะปัจจุบันเพราะใจเขามีเครื่องรู้คือคำบริกรรมพุทโธไว้แล้วก้อนหนึ่งก่อนยอย่างอื่นที่เกิดมาก็แด้แต่ตัแต่พอรับรู้เฉยเพราะอย่าให้ใจนั้นหลุดจากรู้สิทที่คิดบริกรรมคําว่าพุทโธอยู่